ส่วนฝัง่งที่ครบค่ะมาถึงช่วงที่เราจะไม่ได้รับฟังการขยายความกันแล้วนะคะในเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทศกัณฐและเช่นเดียวกันในวันนี้ถ้าหากว่าพอมีเวลาจะมีคําถามของท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะมาถามคําถามด้วย mm hmm. เว้นเสียแต่ว่าเรื่องที่ท่านได้นํมามาอา่านในช่วงต้นให้ท่านปฏิบัติทำกันนั้นอาจจะมีสาระมีรายละเอียดมากจนกระทั่งเวลาในวันนี้ไม่เพียงพอ ค่ะเดี๋ยวเราไปกราบเรียนถามท่านกันเลยนะคะพระเพรบุญพิบุญโนจากวัดปาดอนไฮโงอุดรธานีนมัส ก, การับท่า น, ค, น, นค่ะเชิญพานค่ะพูดถึงความการทําความเพียนน ะ, ค, ะคือพระเจ้าได้เตือนเอาไว้ในถึงภัยที่มันจะมาถึงเนี่ยมีอยู่5้าอย่างนะเอาอย่างแรกก่อนที่ได้พูดไปก็คือเรื่องความแก่นะภัยคือความแก่มาถึงเราแน่นอนนะอย่างเช่นผมเราเริ่มงอก หลังเราเริ่มโกงตัวเริ่มเป็นจุดๆเรียวแรงถอยกำลังลงลุกนั่งก็ปวดแต่ที่จะลุกได้เลยก็ต้องค้าหน้าค้าหลังมีคนคอยประยุงเนะี่ยนี่เป็นร่องรอยแห่งความแก่ทั้งสิน้คนะคนแก่ๆจะไปนั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยากละนะเดี๋ยวก็พลิกนั่นพลิกนี่ขยับนั่นนี่คือถ้าคนยังไม่ได้เคยฝึ ก, ฝกะน ะ, ะก็จะมีเพรพาะฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นภัยในอนาคตนะ เราควรจะต้องมารีบทําความเพียรเพื่อที่อะไรนะเพื่อที่เมื่อภัยนั้นมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ะนะพระเจ้าใช้คำนี้เฮ้ยทาไมอ่ะเอาก็เพราะว่าถ้าสมมุติคุณแก่แล้วเนี่ยนะเนี่ยมันจะเริ่มจีจารล่ะฉันไปโบทอกจะต้องไปทไําไมนี่ถ้าสัมพันธกรรมอันนี้คือความเดือดร้อนที่คุณจะเกิดขึ้นนะะนะแต่ถ้าคนที่รับการฝึกจิตแล้วคุณยมติวนะคือคุณก็จะไม่เดือดร้อนไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา ค, นะคือหมายความว่า จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจิตใจฉันยังสบายอย่างเงี้ยนะนี่คือภัยข้อที่1คือความแก่ภัยที่สองที่พระเจ้าพูดถึงก็คือความที่อาการป่วยนะคืออาการเจ็บนะั่นแหละคือการอาพาธนะอาการที่ร่างกายมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่สม่ําเสมอนะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเจ้าเวลาพูดถึงเรื่องการป่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะพูดถึงการที่ธาตุไฟมันไม่สม่ําเสมอ นี่ยคือบางทีมากเกินไปน้อยเกินไปเนือตัวเราเย็นตัวเราร้อนมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอ า, าอาหารย่อยไม่สม่ำเสมอก็มีการเป็นพิษป่วยขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นมันจึงจะเกิดจากธาตุไฟตรงนี้เพราะนั้นร เ, ออเราจะทำยังไงล่ะเมื่อที่เวลาอาการป่วยเกิดขึ้นแล้วเ จ, ะจะ้าเจียงเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แต่ถ้าตอนนี้เรายังลุกนั่งสบายไม่มีอาการป่วยเได้อันนี้คุณรีบตามความเปลี่ยนไปก่อนเลยนะความเพี่ยนในที่นี้คือความเพี่ยนทางจิตนะ เราให้สร้างทานรักษาศีลเจริญภาวนาลักษณะนี้ข้อที่3ามถัดไปนะคือเรื่องอาหารนะเรื่องอาหารถ้ามันเอย่สมัยนีย้ข้าวของต่างๆแปลงขึ้นคุณจำติวนะแต่มันไม่ได้เหมือนกับตอนที่ช่วงเราอยู่ในสงครามก็ตามนะคือช่วงในสงครามเนี่ยคุณมีเงินคุณก็หาซื้อไม่ได้แตนะตอนนี้คุณมีเงินอาจจะซื้อใช้เงินมากหน่อยใช่ไหม แต่ยังพอหาซื้อได้บ้างใช่ไหมแต่ในช่วงสงครามนี่หาไม่ได้เลยนะไหนะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่เขาไม่มีขายอย่างเงี้ยนะซึ่งพระชุทธเจ้ือนตรงนี้ไว้ว่ามีแน่นอนนะช่วงที่มีเขาเรียกว่าทุพพิฆไพนะอาจจะไม่ใช่สงครามกนะ็อาจจะเป็นฝนแรงติดกันหลายๆลายปีอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเ <c oughs> มืองไทยก็เคยเจอนะข้าวราคาแพงหรือช่วงหลังสงครามใหม่ๆอย่างเงี้ยมีฝนแรงฝนอะไรก็มีแตนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ไหนอาหารหาง่ายคนแห่กันไป ชุมชนไหนมีน้ําดีคนแหกันไปนะพอคนแหกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผัสสะมากล่ะติดต่อ น, นั่นนี่พูดคุยเพราะฉะนั้นจะมาทําจิตให้มันสงบเนี่ยมันยากเดี๋ยวพี่เจ้าก็จึงเตือนตรงนี้เอาไว้นะตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณแล้วนะคุณโยมติไปไหมนะฝนแรงน้ําท่วมเข้ากล้าเสียหายนะอาหารราคาแพงขึ้นอันนี้เริ่มเป็นสัญญาณนะว่าภัยนี้มันใกล้เข้ามาแล้วนะนะคือทุพพิภัยเรารี บ, ร, บรีบทําเลย เพยที่ว่าเมื่อในคราวที่ทุพพิการภัยเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ค่ะ ข, ข้อถัดไปคือเรื่องของความที่ที่มีโจรภัยเกิดขึ้นหรือกบฏเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างในช่วงที่เขามีประท้วงกันอย่างเงี้ยโหคนมาจากไหนไม่รู้จากที่อื่นมาเผาบ้านเผาเมืองเอาอันนี้ก็คือลักษณะว่ามันมันจะพอคนไปรวมกันตรงนั้นเนี่ยเราจะไปทําในใจข่าวคร า, าวอะไรเอต่างต่างออกมาข่าวรือก็มาก มันก็จะทําให้คนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นพอเราจึงต้องคอยที่จ ะ, ะปฏิบัติธรรมก่อนนะตอนนี้คนยังรักใคร่ชอบพอกันอยู่นะมองตากันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่เหมือนหนึ่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเอาน้ําไปผสมกับน้านมอะ่ะค่ะเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นชั้นเป็นอะไรออกมาแต่ถ้าเราเอาน้ํามันไปผสมกับน้ําำมันจะแยกเป็นชั้นเลยอ่า ซึ่งก็เปรียบเที่ยบเอาน้านมผสมกับ น, น้ำนะคนเข้ากันได้รักใคร่กันดีสามัคคีกัน <คะ S 1> นะซึ่งตอนนี้เราก็โปรโมทเรื่องการสามคัคคีใช่ไหม <คะ S 1> แต่ว่าจะมีชั่วสมัยหนึ่งแหะที่มันจะต้องแตกกันแยกกันเราต้องระวังนะนี่คือข้อที่สี่ส่วนข้อที่5ก็คือเรื่องของสง์แตกกันเหมือนกันะแยกเป็นนิกายไม่ลงอุโบสถกันด่ากันว่ากันนะมีอุเทศคนละอันอุเทศนี้หมายถึงว่าไม่ลงอุโบสถร่วมกัน นะคือการลงอุโบสถร่วมกันเนี่ยเป็นสัญญาณแห่งความที่เรายังสามาัคคีกันอยู่ในเดียเ๋ยวนี้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นมหายานวัชยระยานเถราวาดพวกนี้นะซึ่งแต่ละพวกนี้ก็ไม่รู้เขาลงอุโบสถร่วมกันหรือเปล่า แ, ลแต่ตรมา ก, ก็ไม่เคยเห็นนะที่เถราวาดไปลงอุโบสถกับ อ, อย่างเช่นมหายานเป็ตนต้นเพราะมันก็มีร่องรอยแห่งการแตกกันอยู่แล้วในสมัยปัจจุบัน <c oughs> ในแต่ละ ว, ว่าก็ยังแบ่งกันอีกเป็นหลายนิกายขึ้นมาแต่เพดัะนั้นมันเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าภัยนี้กำลังเริ่มจะเกิดขึ้นดังนั้นเราควรจะต้องรีบเร่งในการที่จะทําความเพียรเมื่อที่จะเมื่อถึงคราวที่มันแตกกันจริงๆมากไปกว่า น, นี้แล้วเนี่ยเรายังจะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ค <c oughs> ่ะประเด็นที่ว่าทําไมเราถึงเคุณยมถึงนคงพอเข้าใจนะถ้าสมมุติคนมันมันลงกันไม่ได้เนี่ยจิตใจเราก็จะวุ่นวายมีข่าวมีอะไรก็ทําให้การปฏิบัติทํายากนะ พันธุ์ประชาจึงเตือนตรงนี้เอาไว้รวมถึงเรื่องอาหารด้วยเรื่องการเจ็บไข้ด้วยเรื่องอายุด้วยเนาะดังนั้นก็จะเชื่อมไปถึงตรงที่ว่าอย่างคนที่เกษียณไปแล้วอย่างเงี้ยคุณยังอาจจะเรื่องของสุขภาพอาจจะเสื่อมต้อยลงใช่ไหมแต่สมัยนี้อาหารยังหาง่ายอยู่นะสมัยนี้สงก็ยังมีความสัมักคีอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมสมัยนี้ยังไม่มีโจรภัยอะไรที่เราต้องปคอยกังวลมากอย่างเงี้ย คุณรีบเร่งความเพลี่ยนเลยในขณะเดียวกันะกคนที่เพิ่งยังอยู่ในอวัยกลางคนมัชชิมะวัยอยู่ในวัยต้นอย่างเงี้ยคุณต้องระลึกถึงไว้เลยนะว่าคุณต้องแก่สักวันหนึ่งน ะ, นะรีบปฏิบัติธรรมนะอย่าประมาทอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าต้องอย่าประมาทเพราะว่าภัยพวกนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนได้หรือว่าเกิดขึ้นได้กับเกือบทุกคนก็ ค, นะคนที่ยัง ยังหนีไม่พ้นจากความแก่ความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะดี๋ฉันก็ไปที่คำถามที่ท่านฟังส่งมาดีไหมคะดีดีดีะคะ่ะเราจะได้ตอบคณถามกันบ้างเป็นผู้ปฏิบัติค่ะท่านคะ่ะคุณรัตนาวดีได้ถามถึงเวลาเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจทำให้มีสติสติอันนี้จะพาไปสู่วิมุตได้เธอยกคำพูดนี้มานะคะ แล้วก็ถามว่าที่ได้พูดไว้ในรายการตอนก่อนๆหนะมายความว่าให้มีสติประคองจิตอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาจนลมหายใจสุดท้ายจิตหรือวิญญาณ น, นี้ก็จะแตกดับไปกับกายหรือสังขารนี้ไม่มีภพชาติอีกเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะอขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย เ, เข้าใจถูกต้องครึ่งหนึ่งนะเข้าใจถูกต้องครึ่งหนึ่งนั่นคือจังหวะที่เรากาลังจะตาย จังหวะ <Okay. S 1> ที่เราใกล้จะตายแล้วจังหวะที่เรากำลังเริ่มจะหมดลมหายใจสุดท้ายนะนี้เข้า <Okay. S 1> ใจถูกครึ่งหนึ่งที่อีกครึ่งหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาคืออะไรนะคือการบรรลุนิพพานเนี่ยนะหรือการที่เข้าสู่อิมมูดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอนที่เราจะตายนะ <Okay. S 1> นั้นบวินาทีนี้ก็ได้นะแล้วบทเพียรชนะนะที่พระเจ้าคือจริงเข้าใจถูกแค่1ในสามนะ <Okay. S 1> อีก1ใน3ก็คือว่าตอนปัจจุบันนี้ก็ได้อีกหนึ่งใน3ก็คือบทเพียรชนะที่พระเจ้ากำหนดเนี่ยก็คือ เม okay. right. ื่อลมหายใจนี่ค okay. ืออะไรก่อนผู้เช้าบอกว่าอินซีเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่จิตอินซีจะเป็นที่แล่นไปสู่จิตนะจิตเนี่ยจะเป็นที่แล่นไปสู่สตินะสติจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตตินี่คือพุทธปัจนนะอีกครั้งหนึ่งนะอินซีเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตนะจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตติที่อาจมาพูดเนี่ยก็คือว่าเอาจิตนะกับสติไปวิมุตติรวมกัน แล้วลมหายใจของเราคืออะไรลมหายใจของเราคืออินรีย์นั่นเองนะอินรีคือลมหายใจนะจะทำ ใ, ให้ไปหาจิตได้นะจิตนะต้องมีสตินะสติจะทําให้ไปหาบีมุดได้นะนี่คืออย่างนี้นะคือสองค์ประกอบนะจะแล่นไ ป, ไปตามระบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นอินรีย์ในที่นี้คือคือลมหายใจนั่นเองนะลมหายใจเราจะไปรู้ลมหายใจใครไปรู้คุณยมติว่าใครไปรู้จิตไปรู้จิตไปรู้ถูกต้อง นะจิตที่ไปรู้ลงหมายใจได้นั่นนะคือจิตที่มีสตินะ <Okay. S 1> แล้วสติที่เรามีอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องทำาต่อนื่องทอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นแล่นไปสู่บิมุติได้ mm hmm. ถามว่ามันแล่นในตอนไหนภาษารีบุตรอา่าภาษารีบุตรอ่ะตอนที่ท่านปรินิพานหมายถึงว่าบรรลุเป็นพระอาหารหันเนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่ า, าปรินิพานละแต่คือหมายความว่าตอนนั้นคือจิตดับละนะจิตที่จะ <Okay. S 1> พาไปเกิดเนี่ยดับไปแล้วไม่มีแล้ว นะไม่ได้รอให้กายแตกนะยังอยู่ไปอีกตั้งสี่สิบกว่าปีสี่สิบห้าปีจกนกระทั่งกายแตกดังนั้นช่วงสี่สิบ้าปีที่ท่านอยู่นั่นจิตที่จะไปเกิดย่ยไม่มีแล้วนะนั่นคือวิมุตติเกิดขึ้นแล้วในจิตของท่านค่ะนะไม่จําเป็นจะต้องตายไปพร้อมๆกันอกับการดับของของจิต<อ>ถูตกไหมคะก็อันนั้นก็คือตอนสุดท้ายของชีวิตก็สามารถเป็นได้เหมือนกันในะอย่างพร ะ, ะพ า, ายะอย่างเงี้ยอหรือว่ามีพระหลายรูปเหมือนกัน น่าจะอาจจะมาจําชื่อไม่ได้นะอะโกลิตะโกลิตะเนาะที่ตอน<ะ>ที่ท่านตรัสรู้นิพพานเนี่ยตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยอไม่ก่อนไม่หลังกับการทํากาละคือตายนะไม่ก่อนไม่หลังกับการตายของท่านนะคือท่านกำลังจะตายแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหัน์เดียวนั้นอย่างเงี้ย น, นะไม่ก่อนไม่หลังกันก็คือนี่คือกรณีที่คุณรัตนาวดีได้ได้ถามมาอันนั้นก็เป็นไปได้ค่ะนะจริงจริงอันนี้เ ป, น เ, เป็นอันนี้สงอย่างหนึ่งด้วยนะ ของคนที่เจริญอานาปานสติเนี่ยที่พุทเจ้าบอกว่าถ้าเธอเจริญอานาปานสติใช่ไหมทําอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อนะทําอย่างไม่เสื่อมถอยเนี่ยถ้าไม่บรรลุอรหันต์ในปัจจุบันนะก็ต้องบรรลุอรหันต์ตอนก่อนที่จะการะทําการะเนี่นี่คือข้อที่1คือบรรลุอรหันต์ในปัจจุบันใช่ไหมหรือข้อที่2ก่อนตายคุณยังไงต้องบรรลุอรหันต์แต่ถ้าคุณยังไม่บรรลุอรหันต์ใช่ไหมอย่างน้อยคุณต้องได้เป็นอนาคามีอย่างเงี้ยนันี่อันนี้สองของคนที่เจริญอานาปานสติอย่างค่ะ คือว่าถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆจะมีจุดหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นเช่นนี้ได้ใช่อันนี้ส่งต้องเกิดขึ้นอันนี้ส่งสูงๆนะคะเนี่ยใช่อันนี้ส่งตรงนี้จะเกิดได้นะคือหมายว่าเราต้องปรารุษความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนนะค่ะไม่ไม่ปรารุความเพียรอย่าไปมีความเพียรเร็วซามเป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นผู้ที่มีความเพียรจริงๆจังๆอย่างเงี้ยก็จะทาให้อันนี้ส่งเกิดได้น่ ความเพียนเร็วซามเป็นยังไงคะท่านคะก็คือความเพียรย่อหย่อนั่นเองคือคือทําความเพี้ยนพอสาบานน้าไม่ตายพอสาบานน้าไม่ตายใครที่เพิ่งมาฟังวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันก่อนท่านพิบูลนได้เล่าให้ฟังว่าใครที่ทําอะไรย่อยหย่อนยอนภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าสาบานน้ําไม่ตายใช่คือคือหมายความว่าถ้าเขาเรียกให้คุณสาบานว่าคุณทำไหมเนี่ยเราก็บอกว่าเออผมสาบานก็ได้ผมทําอยู่ แต่ทำนิดเดียวอย่างเงี้ยเป็นพวกคำสาบานของตัวเองก็ไม่รักษาพวกพวกสักว่าพูดถึงอะไระจริงๆสักว่านี่น่าจะดีนะเห็ว่าดีอย่างไรกะคือเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเรรู้สึกสักว่ารู้สึกอันนี้จริงๆเป็นมรรวิธีที่บอกกับท่านภัยยะ พระอภิยะทำอย่างนี้ก็ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันบรรลุเร็วด้วยถ้าพูดอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ผู้ทงกลัดไว้ใช่ไหมคะสักมาที่ทันว่าคือสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าได้รู้สึกอ่าได้สบายขึทุกอย่างใช่ไหมคะที่เป็นอายตนะอ่าเขาเรียกไหคะได้ได้ได้เห็นได้ยินได้รู้สึกได้ฟังได้ลิ้มรสพวกนี้ สักว่าไม่ไปเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มากระทบค่ะอืทีนี้มันก็มาเหมือนต้องเปรียบเทียบกับคําว่าสักว่าที่เคยได้ยินเมื่อตอเป็นเด็กนะคะสักแต่ว่าทําอย่างค่ะเนี่หคือนกับไม่ตั้งใจทําแต่จริงสักแต่ว่าทําในความหมายพระพุทธเจ้าเป็นไงคะมีไหมคะก็คือในภาษาไทยเนี่ยพอเราแปลมาแล้วเนี่ยบางทีมันใช้คําไม่ตรงกันไงอย่างคําว่าสักว่าอย่างนี้ มันกลายเป็นคําที่มีความหมายเบื้องลบอยู่ภายหลังเงี้ยใช่ไหมมีความหมายลบลบติดลบอยู่บ้างแต่สักว่าของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ก็คือว่าแค่เห็นจใจขึ้นมีสติกํากับอยู่หมดคือฟังเลยสูงส่งมากนะคะสักว่าพระพุทธรูปเป็นกับทาฮิยะเนี่ยดิฉันจําได้ว่ามาถามเพราะว่าอยู่ในบ้านปลายชีวิตใช่ไหมใช่อายุมากแล้วง่ายๆเร็วๆ ก็ให้สักว่าซึ่งในที่นี้แปลว่าอย่าไปยึดถูกไหมคะถูกต้องอย่าไปยึดอย่าไปเพลินไม่ไหลไปตามอย่างนค่ะอย่าไปตีความกันเอาแบบภาษาไทยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็มันแหมมันห่างกันชุดตงเป็นความเพียนที่เร็วซามอย่างนั้นหรือเปล่าคะปราบความเพียนเร็วซามนะคะอื่นเนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านเป็นบุญพยายามจะบอกให้กับพวกเรานะคะว่า ขอให้ได้ใช้ประโยชน์เถอะอาศัยคําถามของคุณรัตนาวดีเราก็เลยได้รู้ว่าอินซีเนะี่ยมันจะแล่นไปสู่จิตซึ่งลมหายใจเป็นอินทรีย์ส่วนจิตจะแล่นไปสู่สติและสตินี่แหละค่ะจะแล่นไปสู่วิมุติเราก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆผู้พิทูลงตรัสเอาไว้ว่าไปได้ถึงอนาคามีนะคะาาไป<า>ได<ป>้ถึงอรหันเลยอืมว่าถ้าไม่สามารถบรรลุใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ ก็จะอยู่อนาคามีนี่ก็ชั้นสามแล้วนะคะเลยอีกชั้นเดียวจะเป็นพาาาระอรหันต์วันนี้นมหัศการขอบพระคุณท่านพบูลนเรียมคะเนี่ยเต็ <laughs> มผ่านการในมหัศการกันท่านคะเต็มผ่านก็อาจจะลาท่านพบูลเร็วไปนิดนึงเพียงแต่ว่าเราก็มีเวลาพูดทิ้งท้ายกันยาวหน่อยราการนี้รายการสันสนีสนทนานะคะที่ชั้นสันสนีนาคงต้องการที่จะให้เวลายามเช้าของท่านเนี่ยเป็นเวลาที่ดีนะคะเรายังไม่มีความเศร้าหมองเข้ามาหาเราก็เปิดรับเต็มที่ กับสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับชีวิต น, นั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้พุทธวจนะต่างๆเป็นธรรมะคือเป็นคําสอนให้เรานํามาไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นหรือว่าอาจจะไม่หวังขนาดหลุดพ้นการปฏิบัติในทุกๆสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนะคะล้วนแล้วแต่เป็นไปนในทางที่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นไม่มีโทษค่ะถ้าทําถูกนะคะแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติ เราก็เหมือนกับยกวัดมาไว้ให้ท่านที่นี่ยกสถานปฏิบัติธรรมไว้ให้ท่านที่นี่วันลาประมาณเกือบเกือบสิบนาทีทำทุกวันทุกวันเป็นความเพียรที่สม่าเสมอส่วนเทศกาลนี้ดิฉันก็ต้องขออนุญาตละนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ก็คงมีความตั้งใจเหมือนกันว่าวันหนึ่งมีโอกาสจะได้ไปพบครูบาอาจารย์ที่สลับเวลามาสอนในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็น ท่านเพริยวัฒน์พิบุญโ น, โนที่เพิ่งผ่านไปท่านก็อยู่วัดป่าดอนไฮโซอดอนธานีซึ่งมีท่านเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อดออรสะอาดนะคะและที่วัดนี้ก็จะมีประเพณีกรถินช่วงออกพรรษาเป็นสัปดาห์ที่สองหลังจากออกพรรษานะคะก็คือวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ดิฉันทิ้งไว้ให้ท่านโทรมาติดต่อสอบถามได้ก็คือศูนย์สองสองหกเนะคะ ว่าจะไปที่วัดนั้นได้อย่างไรหรือว่าจะร่วมทําบุญกันได้อย่างไรเช่นเดียวกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนี้022690006ท่านจะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทอดกรถิ่นของวัดที่ประมารชาคาวโรซึ่งจัดรายการในช่วงแรกๆของอวันนะคะในช่วงที่หนึ่งวัณอาปาพงศ์กำลังจะมีการทอดกระถินกันก่อนหน้านั้นสัปดาห์หนึ่งคือในวันที่4เดือน11 เดือดดิสจิกายนได้เช่นเดียวกันค่ะได้มากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทวัส์สวัสดีค่ะ